เทศอบรมพระวันที่14มีนาคม 2,522 เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เรียบราบเข้มข้นดีมากเทศคนจะดีเพราะความประพฤติตามกฎหมายและธรรมวินัยคนที่มีความโลภโกรธหลงมากเป็นทุกข์มาก คนไม่มีสิ่งดังกล่าวนี้เป็นสุขที่สุดใครจะถือทิฏฐิมานะมากยิ่งกว่าพระที่อาศัยผ้าเหลืองโภกศีรษะไว้ใครๆไม่อาจแต่ต้องเพราะเห็นแก่ภากาสสวพัส์กันนี้อธิบายละเอียดมากพระและครวาด์ฟังหรืออัดได้เพราะว่าดีมากไม่มีพูดต่อเทศถึงหน้าบี ราวยี่สิบนาทีแล้วหยุดเมื่อเป็นเช้นนั้นแล้วโลกกับทำเกี่ยวข้ามาันอยู่จะทำยังไงนี่คือข้าใีดเร่งพุทธมร ตั้งใจฟังให้ดีคนจะดีเพราะความประพฤติมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมดำเนินในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองซึ่งเป็นกฎข้อบังครับเพื่อความสงบของส่วนรวม ทำวินัยก็เป็นกฎข้อบังคับเพื่อความประพฤติเฉพาะตนและเกี่ยวกับส่วนรวมด้วย ต, ต่างคนต่างมีกฎข้อบังคับเป็นเครื่องดําเนินอยู่เสมอแล้วโลกก็มีความโล่งเย็นแต่เพราะอย่างยิ่งพระที่บวชในศาสนาแล้วมีหลักธรรมวินัย เป็นเครื่องปกครองดำเนินตามหลักธรรมหลักวินยัยไม่ลดละไม่ปล่อยวางไม่ให้เพ่งจนหาเหตุผลหลักเกณฑ์ข้ออัดข้อทำรับรองไม่ได้และไม่ย่อนยานจนถึงกับมองหาหลักธรรมหลักวินยัยไม่เจอเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ยิ่ญาณ หลักธรรมวินัยนั้นก็อยู่ในหลักมัชชิมาแม้จะหย่อนยานลงไปก็อยู่ในกรอบของความส่วนวินัยนั้นหย่อนไม่ได้คงเส้นคงวาไม่มีที่แยกที่รักต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพระวินัยทุกๆข้ออยู่เสมอในที่ทุกสถ า, านตลอดการทุกเมื่อและทุกเรียบด้วยนี่คือหลักวินยัย ส่หลักธรรมมีการลดหย่อนผ่อนผันเรียกว่ามีเรียกว่าเคร่งบ้างหย่อนบ้างแต่พระวินัยไม่ได้เรียกว่าเคร่งมาหย่อนเลยให้ถูกต้องตามหลักพระวินยัยหลังที่พูดพูดกันว่าปฏิบัติเคร่งเกินไปอันหมายใน้สองอย่างเคร่งทั้งธรรมทั้งวินัยหรือเคร่งส่วนใดส่วนหนึ่ง เครง่งวินัยหรเคร่งธรรมแยกได้แต่ยังไงก็ตามให้เคร่งไว้เสมออย่าให้หย่อนยานให้ยอของในภูมิใจในความเคร่งของตนที่ดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัย ไ, ไม่ปลีกแวะออกจากรั้วที่ ก, กั้นกิเลสอาสวะหรือความปิดต่างๆไว้โดยรอบอย่าข้ามออกไปอย่า ปีนรั้วทำรว้ววินัยออกไปหลักทำหลักวินยัยเป็นเครื่องมือถ้าจะเทียบการก่อสร้างแล้วก็คือเครื่องมือที่ผู้เยีย่ยมจะปลูกตึกรามบ้านช่องใหญ่โตแล้วหฐานแ น, น่นหนามั่นคงหรือสวยงามประการใดขึ้นอยู่กับนายช่างและเครื่องมือเป็นสำคัญ มีเราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นเหมือนเครื่องหมนในฝ่ายก็ต้องทำอย่างนั้นมีความเผื่อไว้เสมออย่าเข้าใจว่าตนนี้เค้่งพอตัวแล้วจะเป็นการตัวหรือทะนงตัวเป็นทิฏฐิมณะยกตนของท่านก็ไม่ถูกแต่ให้เพื่อตัวเองเสมอ ว่าให้เคร่งไว้สมครสําหรับตัวเองไม่สําหรับใครเพราะผู้รับผิดชอบตัวเองไม่ทางถูกหรือผิดสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความถูกหรือผิดนั้นเป็นเรื่องของเราเองโดยเฉพาะถ้ามากไปกว่านั้นก็กระเทือนถึงหมู่เพื่อนหากเป็นทางภายในก็ให้เกิดความลังเกียจกันด้วยเหตุนี้ราสงฆ์ที่แตกรล้าวหรือแตกสามัคคีกันจนเข้ากันไม่ติด ก็ขึ้นอยู่กับหลักพระวินัยที่ปฏิบัติยิ่งหย่อนต่างกันแต่ว่าเพียงยิ่งหย่อนตอนนั้นมันก็ไม่น่าฟังแล้วถ้าเป็นพระวินัยก็คือข้ามเวินข้อห้ามที่พระพุทธจาทรงบันญัติไว้ข้ามไปข้ามไปเรื่อยๆจนดื้อด้านภายในจิตไม่ละอายบาปภายในตัวและไม่ละอายหมู่เพื่อน ที่อยู่รวมกันหนักเขาก็กลายเป็นทิฏฐิมานะเห็นเป็นความถูกต้องแล้วยียบย่ํำแล้วยียบย่ยําทําลายหลักธรรมหลาักขุนในและโต้อตอบผู้อื่นที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยทิฏฐิมานะไม่ลงรอยกันได้เลยแล้วก็แตกกันได้เพราะเหตุแห่งการปฏิบัติย่อหย่อนดังที่ว่ามานี้ในครั้งพุทธการก็เคย ที่พระแตกเป็นนานาสังว่าทั้งที่พระพุทธเจ้ายางทรงทายชนอยู่ก็ mm hmm. มีพระธรรม ก, รกกับพระวิเนทอนเกิดพะาะอันด้วยเข้าไปถ่ายในส่วแล้วเหลือน้ำในกระบอกไว้ซึ่งกิดพระวิเนผู้วิเนทอนก็เตืนนเราสรุปความเอาเลยว่าเตือนแล้วไม่ยอมรับ เอาชุดเรื่องเราดังนี้ถ้าพูดไปยืดเยื อ, อก็ยาวเสียเวลวาเวลาไปเมื่อความไม่ลงรอยกันมีขึ้นการกระทบกระเทือนกันย่อมมเพราะผู้หนึ่งก็มีหลักวินัยยืนหยัดเหตุที่จะให้เกิดความขยะแขยงไม่ยอมเข้าร่วมทั้งกิจทั้งกรากับกันเพราะ พระวินัยเลยต้องแตกเล้แต่ยังเข้ากันได้เพราะความเห็นโทษพระพุทธเจ้าก็สเสด็จหนีไปอยู่ตาเลรลายช่างบัระถระบัถะอยู่เพียงพระองค์เดียวในผันศารอให้พวกนี้กัดกันพวกคนเก่งๆกัดกันพระเร่งๆกัดกันกัดกันก็ไม่ถึงไหนพวกญาติโยมก็ ตัดเครื่องสนับสนุนโดยลําดับลาดับขนาดพระพุทธเจ้าเสด็จหนีไปแล้วผ้าเหล่านี้ดีได้อย่างไรวิเศษวิสูดอย่างไรพระพุทธเจ้าแต่ทานพระว่าไกลเกลี่ยให้รู้เรื่องถีดเด่เรื่องถูกยังไม่ยอมรับยังหรือดีหรือยิ่งกว่าสารดาด้วยแล้วสมควร่าหรือที่ประชาชนาต่างหากต้อให้การสนับสนุนด้วยปัจจัย เพรต่างคนต่างเลิกกันไปถ้าก็จะตายเลยที่ดียวนั่นโทษแห่งความผิดของตนที่ไม่ยอมเห็นโทษแสดงขึ้นมาแล้วมึงต้องมาขอพระอนุโมทัศน์ทูลนราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาแสดงว่ายอมรับแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เส ด, ด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาก็ ประกาศชี้แจงเรื่องเหตุผลแล้วก็ยอมรับกันหมดยอมตนเป็นผู้ผิดทั้งสองฝ่ายเข้ากันหน้สนั้นด้วยความเป็นธรรมถ้าความเป็นธรรมแม้จะแตกล่ากันไปแล้วก็เข้ากันได้สั้นถ้าไม่ใช่ธรรมหรือฝืนธรรมฝืนวินันยอยู่แล้วยังไงก็เข้ากันได้สั้นนี่พระพุทธเจ้ากรับประทานทวารวดในเวลาถ้าสง่านั่นยอมตนแล้ว ปรากฏว่าได้สาเร็จมรรคผลนิพพานกันมากมายรัในเทั้งฝ่ายพระธรรมกถตกซึ่งมีบริษัทบริวารทั้ง500ทั้งฝ่ายพระวิ น, นัยทรซึ่งก็มีบริษัทบริวารมากๆเหมือนกันว่าตามฝ่ายตามได้สําเร็จมรรคผลนิพพานในเวลาที่พระพุทธเจ้าประทานโทรว่านี้มากมายทั้งสองฝ่าย นี่เป็นเครื่องชี้เหตุให้เห็นถึงเรื่องความหย่อนยานของพระวินยัยไม่ใช่ของเด็กหลักพระวินัยต้องยึดให้คงเส้นคงแงเสมอนี้ก็ปฏิบัติตามหลักธรรมเมื่อศสียินบริสุทธิ์อยู่แล้วสำหรับพูด เบิกมาเพื่อรักษาศีลรักษาบาตรรักษากรรมวัุงธรรมต้องให้ศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอเป็นที่อบอุ่นใจแล้วก็ดำเนินทางด้านจิดตภาวนาเมื่อดำเนินทางด้านคิดตัภาวนาจิต ก, ก็ไม่สายแสกวุ่นวายไปเพราะความผิดในแงกพระวิ น, นัยไม่มีความกังวลตัดนิวนรณ์เหล่านี้เสียรได้ใจก็เข้าสู่จุดแห่งธรรมด้วยความสะดวก แล้วปรากฏเป็นความสงบโล่มเย็นขึ้นม า, ท, านท่านจึงเรียกว่าศีลปริภาวิตโตสมาธิมหพโลโหติมหให้สร้างโซ่สมาธิอันศียอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลสุมากสําหรับนัก บ, บวชผู้รักษาพระวินัยก็ให้เป็นผู้รักษาจริงๆให้ด้าเลินตามนี้สมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโฮติมหให้สร้างสร้างปัญญาอันสมาธิอก รวมแล้วย่อมมีผลมากมีอนันสมมากนั่นปัญญาปฏิภาวิตังกิตังสัมมะเดวะอาสเสวหิหิมุจติอิตอันปัญญาอุกรุมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบมีเป็นหลักธรรมอันสำคัญมีความเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้ฉะนั้นนักบวชเรา ยังควรสนใจอย่างยิ่งในหลักธรรมหลักวินัยครั้งพุทธ ก, การท่านปฏิบัติดำเนินอย่างไรจึงปรากฏว่าท่านองค์นั้นสําเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในถ้ำนั้นด้วยเอียบทนั้นๆท่านองค์นั้นสําเร็จในที่นั้นที่นั้นในป่าใ น, นเขาลําเนาวไพร จะมาจากสกุลไหนก็นตามผมคือมีทั้งสกุลพระรามหากษัตริย์เสษฐีบระุมผีพ่อค้าประชาชนคนธรรมนาเป็นพุทธบริษัทของเมื่อเจ้าทั้งนั้น อ, ออกมาบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกรรมจัดนิวรณ์สิ่งที่จะขีดขวางทางดําเนินของตนที่เกี่ยวกับเรื่องบานเรื่องการเดเรือรนสมบัติประทานญาติมิตรราลงุนทั้งหลายด้วยฟูง มากน้อยอย่างไรพยายามตัดออกให้หมดเหลือตั้งแต่เพศแห่งพระ ป, ปฏิบัติทำเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นการตัดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของตัดได้ไ ง, ไง่ายต้องสุดจิตสุดใจเพื่อตัดฝืนใจอย่างเต็มที่ฝืนใจคำว่าฝืนก็คือฝืนกิเลสตัวมันเหนียวแน่นอยู่ภายใ น, ในใจิตใจด้วยหลักธรรม ต้องยอมอดยอมทนกัดฟันสู้คนเราไม่ตายไม่จากกันเวลาเป็นก็จากกันเวลาตายเอาข้อนี้ขึ้นมาตัดแต่เราต้องการความทุกข์จริงๆแล้วก็ห้มุ่งต่อทำเชื่อทำยิ่งกว่าเชื่อกิเลสกิเลสต้องเป็นความโลภความโกรธความหลงความหงอ ย, ยวุ่นวายกังวลไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ทิ้นทุกอันทั้งความแคบไม่มีประมาณนี่คือเรื่องของกิเลสหาความแนนอนไม่ได้มีแ ต, ต่หลอกจิตใจให้เพ้อเพินไปอยู่สายแสบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องก่อควนจิตใจของเราเรื่อยมาเรื่องของธรรมคือเขัตกรรมจัดสิ่งแบบนี้ด้วยความอดความทนท่านสิ่งเกียวกับวิริยะให้พายายามเพียรเพียรละเพียรต่ํา ขันติความอดก้านขันติคือความอดทนเพราะพิเลศต้องลบกับธรรมเสมอธรรมก็ปราบพิเลศพิเลศก็ลบกับธรรมระหว่างพิเลศกับธรรมต่อสู้กันนั่นแหละเล้รับความทุกข์ความยาความลําบากมากมใช่อะไรเป็นค่าศึกพิเรศก็อยู่ภายในใจของเรา ธรรมก็ขลิบขึ้นภายานใจของเราเองใจเป็นสนามโรกหรือเป็นเวทีของกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันเมื่อต่อสู้หนักเข้าหนักเข้ากิเลสก็ค่อยพ่ายแพ้ไปเดินหลังไปแพ้ไปเดินหัธรรมก็มีอำนาจมากขึ้นมากขึ้นความฝืนความอดความทนความทุกข์ทรมานซึ่งเคยเป็นมาก็ค่อยลดหยอด่อนผ่อนพันลงไปลงไปผลแห่งการปฏิบัติธรรมคือความสงบ เย็นใจก็ค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นเครื่องดูดดื่นเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นหลักฐานพยานแห่งการปฏิบัติธรรมว่าผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ความมีแก่ใจก็เริ่มขึ้นมาโดยลําดับศรัทธาก็เพิ่มขึ้นวิริยะคือความเพียรก็เพิ่มขึ้นอันติความอดความทนต่อความเพียรของตนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องสนับสนุนธรรมที่ให้ปราบที่เหลี็กล้าพึงไปดูลําดับหลวม แล้วนั้นต้องเพิ่มขึ้นเป็นลําดับด้วยกันหมดเท่ามีอยู่ในหัวใจดวงนี้วมีแหละพระพุทธพระสาวกทั้งหลายท่านในบรรลุธรรมท่านบรรลุเพราะท่านฝืนกิเลสท่านตั้งหน้าตั้งตาสู้จริงๆเกี่ยวการสู้กิเลสเราจะเอาอะไรไปสู้มีแต่กาลังเฉยๆมีแต่กมปั้นสู้มันได้เหรอมันต้องมีอาวุธกิเลส คือจอมวัตจักรอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกนี้มันฝังอยู่ภายในิตใจของสารโลกและทําสารโลกให้โงุ่นส่วนกิเลสนั้นชนะยอดเยี่ยมที่สุดเหนือหัวใจของสารโลกเพระนาะฉะนั้นจึงยอมจํานวนต่อกิเลสโดยไม่มีเมื่อนไขเหมือนกับว่าในโลกอันี้มีตั้งแต่กิเลส เป็นของวิเศษวิโสโดยไถ่เดียวเท่านั้นจึงไม่ได้นึกว่าจะมีอะไรวิเศษแปลกต่างไปกว่าีิเดสนี้อีกหรือยิ่งกว่าีิเดสนี้จนกว่าได้ฟังอัดฟังถ่อมที่พระพุทธเจ้าทรงปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวฆาสกเป็นตัวฉลาดแลลวคมบนพระไทยพระองค์ท่านด้วยพระปรีชาสามารถฉลาดรูด้แทงทะลุหรือ ราบทีเละทั้งหลายจนละหมดเหลือตั้งแต่ความเมตสุจนล้วนนี้คือความประเสริฐที่แตกต่างจากกิเลสทั้งหลายที่โลกทั้งหลายมีเราเป็นต้นหรือเราแตถาคดเป็นต้นก็ทุกยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ก่อนมาบัดนี้ได้ทราบแล้วนี่แหละพระองค์ได้นำทำมาที่ออกแสดงให้สัตว์โลกจึงเป็นเรื่องสองอย่างขึ้นมาที่แรกมีแต่กิเลส จมอยู่ภายจิตใจตัดไม่ทราบจะอะไรมาเทียบเทียงไม่ทราบจะอะไรมาเป็นคู่แข่งขันหรือวัดเวียงกันมีตั้งแต่กิเลสอะไรและข้อ น, นตั้งกิเลสก็เลยเชื่อตามกิเลสไปหมดเหมือนกับไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะแตกต่างจากกิเลสพอที่จะยึดหรือปล่อยกิเลสนี้ได้เลยตพอเมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเทววัตมีเป็นแจบัคคีเป็นต้นัได้รู้จริงเห็นจริงตามธรรมนี่แล้ว วิเลษก็หลุดลอยไปความวิเศษหลักแหละเพราะความหลักแหลมแห่งทติปัญญานี่จึงปรากฏขึ้นภายในใจของท่านปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่คือเป็นอรหัตตบุคคลเป็นจวักีทั้งห้าเป็นสักดิพยานของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ทรรมนี้ก็ประกาศกระจายทั่วไปทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านบ้านน้อยเมืองใหญ่ พระสาวกทั้งหลายช่วยประกาศให้พระพุทธเจ้าทรงเบาพระภาะระของบ้างแม้พระองค์เองก็ทรงประกาศจากเต็มพระไทยเหมือนกันนี่ยังมีสองอย่างขึ้นมาโลกยังได้เลือกคือมีสีดำบ้างสีขาวบ้างอันนี้สีดำอันนี้สีขาวชอบสีอะไรอันนี้ของดีอันนี้ของเลวชอบอะไรแต่ก่อนนี้แต่พิเ เร็วขนาดไหนมันทำคนให้เร็วขนาดไหนคนคนนั้นก็ยังว่าดียังว่าตัวดีโลภจนตาํำตาแดงโกรธจนอกจัดเจ้าของจะแตกหลงงมงายจนจะไม่เป็นผู้เป็นคนก็ยังว่าตัวดีถ้ามัน ม, มีคู่แข่งไม่มีสิ่งเทียบเคียงต่อเมื่อแ น, น่นับอัดทรทมสอนต้องให้เา้าเข้าไปเทียบเคียงโดยเหตุดยผลแล้ว พราะยกวเป็นคู่แข่งกันขึ้นมาเราหามีช่องทางหรือมีอุบายหรือมีทางพอที่จะแยกแยกกันออกได้ว่าเราจะเลือกเอาอันไหนความเร็วกับความความดีนิเรศ ก, ก่อนไม่ไม่นึกไม่สงไม่สงสัยว่ามันเร็วอย่างไรความโลภมันเร็วอย่างไงความโกรธมันเร็วอย่างไรความหลงมันเร็วอย่งไรราคะตันหามันเร็วอย่างไรเราไม่ทราบ มีแต่บิ้นไปตามมันเทําเดยถ่ายเดียวไม่มีช่องมีทางไม่มีข้อคิดที่จะแยกแยะมันว่านี่มันถูกหรือผิดมันเป็นโทษหรือเป็นคุณประการใดไม่มีโอกาสที่จะคิดเพราะอำนาจของกิเลสมันเหนืหอเราเราไม่มีความเฉลียวฉลาดเท่ามันจึงต้องถูกฉุดลากไปในภกน้อยภกใหญ่สุขทุกข์อลลัมบากลำบนแค่ไหนต้องยอมรับทั้งนั้นถ้ากิเลสลงได้บังคับบัญชาถูถ่ายให้ไปแล้ว เป็นหลีกเว้นไปไม่ได้ต่อเมื่อได้รับอัตธรรมคือการอบรมธรรมบอกเป็นของกระสับเมื่อปฏิบัติแก้ไขกิเลสไปโดยลําดับความโลภมันเป็นโทษอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ความโกรธเป็นโทษอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ความหลงเป็นโทษอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นส่วนธรรมคือความละความโลภแล้วเป็นยังไงคนมีความโลภน้อยเป็นคนสบายคนไม่มีความโลภสบายที่สุด คนมีความโกรธน้อยค่อยสบายคนมีความโกรธมากเป็นทุกข์ที่สุดโลคมากเป็นทุกข์ที่สุดหลงมากเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่สุดคนมีโลคน้อยโกรธน้อยหลงน้อยมีความสุขมากกว่าคนประเภทแรกนั้นแล้วคนละความโลคความโกรธความหลงได้มากเท่าไหร่ด้วยทําเป็นเครื่องปราบปรามหรือทําเป็นเครื่องซัพฟอก ยิ่งมีความสุขขึ้นโดยลํำดับ <c oughs> เมื่อมีความสุขขึ้นโดยลํำดับเพราะการปฏิบัติแล้วเราย่อมเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงไปลำไปโดยลําดับตามคุณธรรมของเราที่สูงขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งแก้ไขหรือถอดถอนออกหมดขึ้นชื่อว่ากิเรศซึ่งเป็นตัวภยัยไม่ว่าประเภทใดได้ขาดกระจายไปจากจิตใจแล้วนั่นแลคือตัวประสบ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้เท่าทันเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนให้โลภให้โกรธใ ห, ให้หลงไม่มีสิ่งยุ่ยแย่ไม่มีสิ่งฉุดากไม่มีสิ่งทําให้จิตใจกระเพื่อมขุนมัวใจย่อมสบายผู้ละกิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วย่อมเป็นผู้สบายสุดยอดตลอดอียาบท และการสถานที่ยืนก็ไม่มีอะไรกวนใจเดินนั่งนอนก็ไม่มีอะไรกวนใจเพราะสิ่งกวนใจน่าจะพิเรศอย่างเดียวเท่านั้นได้สิ้นไปจากใจแล้วด้วยอำนาจแห่งทำทั้งหลายมีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นตน้นปราบลงเรียบร้อยหมดแล้วอยู่สถานที่ใดการใดไห่ว่าหมื่นว่าแฉะสว่าง อยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเพราะไม่มีสิ่งกวนใจให้อยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็อยู่ได้สบายๆเพราะอยู่ด้วยความพอตัวของใจที่อิ่มตัวแล้วไม่หิวโหยความหิวโหยคือเรื่องของกิเลสทั้งหมดหิวมากหิวน้อยคือความมีกิเลสมากน้อยไม่หิวเลยก็คือไม่มีกิเลสเป็น เรื่องทำให้หนอยู่ไหนจึงสะดวกสบายเท่านั้นนี่คือผลแห่งการปฏิบัติต่อสู้กับกิเลสด้วยความยากลําบากเพียงไรก็าตามความยากลําบากเหล่านี้เป็นต้นผลอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคอย่าทําปิตใจให้ท้อถอยเพราะการเพราะความลําบากแห่งการประกอบความภาคเพียรเราภาคเพียรหนะักเบาขนาดไหนทุกเพียงไรก็าตาม ก็ทุกเพื่อผลประโยชน์อันดีและผลประโยชน์อันดีเลื่อนยิ่งไม่ควรถือความทุกข์ความลำบากเหล่านี้เป็นอุปสรรคเครื่องจีดขวางทางเดิให้ก้าวไปไม่ออกดีไม่ดีก็ท้อแท้อดแอร์ถ้าอ่อนลงไปก็ปัญหากิเลนนั่นแหละแต่มันเหยียบย่ําทําลายทั้งวันทั้งคืนเดนเดินด น, นั่งนอนทุกพกทุกชากกิเลนเป็นอย่างนั้นกิเลนนี่เป็นผู้จูงมนุษย์เป็นผู้จูงสัตว์โลก ไปตามกระแสของกิเลสนอกจากนั้นผลที่ทําขึ้นซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นย่อมมีทั้งสุขทั้งทุกข์เรียกว่าวิบากที่ทําขึ้นเพราะอำนาจของกิเลสมันก็ได้รับความทุกข์ความลําบากเกิดขึ้นเพราะอํานาจแห่งธรรมคือคุณงามความดีก็ได้รับความสุขความสบายแต่เกิดในพกน้อยพบใหญ่ก็เพราะเชื้อของกิตพาให้เกิด เราอยากเข้าใจว่าอันใดพาให้จิตเกิดปฏิบัติให้รู้ภาในจิตใจนี้พระพุทธเจ้าที่เปลงพระอุทานออกมาว่านัตถิดานิปุนัภทวะุปโภหกโหมัสนิโลกัตสาเราเป็นผู้ระเิยเหนือโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้ว เราหมดแล้วซึ่งพบกุศลภาพพระองค์ประกาศออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์เพราะกําจัดกิเลสตัวเป็นเชื้อให้เกิดพวกกชาติหมดไปแล้วโดยสิ้นเชิงจากพระไทยไม่ใช่ประกาศแต่ความรุ่นดาวเกาหมัดเฉยธรรมะที่ประกาศออกมาจึงเรียกว่าสวขาธรรมจับไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมไม่ว่าทำขั้นใหนเพราะพระไทยของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ ด้วยความรู้แจ้งแห็งจริงทุกสิ่งทุกอย่างทุกแงกทุกหมุมแล้วจึงได้นำธรรมะนั้นออกมาแสดงแก่แต่โลกเพื่อความอาจารตามหลักความจริงที่ทรงรู้อยู่แล้วนั้นจึงเรียกว่าสวรขาตัดทับที่ตัดไปชอบแล้วผู้ปฏิพฤตปฏิบัติตนตามหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วนี้ย่อมเป็นนิยานิการธรรมนำตนให้พ้นจากทุกไปโดยลําดับดัๆจนพ้นจากทุกไปโดยชิ้นเชิงไม่มีแวะ เวียนในพบใดาติใดเราอยากไปค้นดูภายนอกดูคำพีก็ก็เธอเราไม่ประมาทเรายกบูชาไว้เสมอํำหรับํำลาท่านประกาศเอาไว้เราอ่านเข้าไปเป็นแต่ความจำยิ่งกว่าความจริงไปสมดถ้าว่าอ่านลงไปเข้าใจแล้วเป็นความจริงขึ้นมาผู้นั้นจะทราบความจริงภายในตน เพราะทำทั้งมวลที่แสดงไว้8ปดหมพันพระธรรมขันธ์นั้นแสดงออกไปจากจิตใจชี้เข้ามาที่จิตใจซึ่งเป็นตัวนี้ตัวกิเลสตัณหาอาสวะตัวพาให้เปิดเจ็บปวดตาอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นการที่ท่านประทานเอาไว้นั้นก็ชี้เข้ามาของภายใ น, นแต่เราเรียนไม่ได้เรียนน้อมเข้ามาสู่ภายในตดเรียนตเตลเิดเปิดเปิงออกไปข้างนอกยิ่งลุ่มยิ่งหลงไปเสียยิ่งกว่าไม่ได้เรียนซะอีก มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีเกิดชิเลตนาศว่ามากเพิ่มพูนขึ้นอีกเพราะการเรียนเพราะเหตุอะไรเพราะเข้าใจว่าตนรู้อืเรียนได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปรเรียนจบพระไกรปีโดกภรอะไรก็ยิ่งเกิดพิธีมานะจนก้าวขาไม่ออกแล้วมันหนักความรู้ความจริงมันหนักพิธีมานะมันหนักความสําคัญมันหมายตรงต่างหากมันไม่ใช่หนักความจริงถ้าความจริงแล้วไม่หนัก ผู้ปฏิบัติจึงย้อนเข้ามาสู่ตนเรียนเรื่องอะไรก็ตามให้พึงย้อนเข้ามาสู่จิตซึ่งเป็นตัวการพอทําทั้งมวลสอนเรื่องจิตใจเป็นสำคัญสอนสัตว์ตัวใดก็ตางจะเล่าเป็นเรื่องนิทานเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระสูตรก็ต่างก็เป็นเรื่องเกิดแายเจ็บตายเรื่องความทุกข์ความลำบากซึ่งเป็นเรื่องของจิตผู้พาให้เกิดตายเนื่องมาจากกิเลสเป็นตัวสําคัญทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องวินิจฉัยใคัดควรเข้ามาหาหลักความจริง หลักความจริงอันยิยอดเยี่ยมคืออะไรก็คือสติปัฏฐานสี่หนึ่งจะจะทำทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากหนึ่งนี้ยอดแห่งธรรมลงมาที่นี่ถึงจะแสดงไปแปหมื่นสี่พันพระธรรมกันก็ออกมาจากต้นใหญ่สี่สนี่แหละเป็นต้นอันใหญ่โตสติสปัฏฐานสี่อริยาศาสสีน่นี้ให้น้อมเข้ามาให้รู้ความจริงเรียนไป เราจําได้แต่ชื่อสอมันไม่ได้ฆ่ากิเลสตาสักตัวเดียวแล้วกิเลสจะเบาบางประจักษ์จิตใจได้อย่างไงจําชื่อของกิเลสตัณหาเวราะว่ตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดส่วนตัณหา100ร้อยปอดเราไม่ได้คิดนี่นะมันร้อยอยู่ในปอดในจิตทั้งเรานีิเราไม่ได้คิดเพราะนั้นจึงต้องเข้ามาแก้ตรงนี้เพียงเรียนเท่านั้นไม่สําเน็จเรียนพอจําได้เป็นปากเป็นทางแล้วให้น้องามาเป็นเครื่องปฏิบัติ ดำเนินดังที่พระพุทธเจ้าและดังที่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วในเบื้องต้นก็เป็นปริยัติพระพุทธเจ้าประทานพระออวาศสอนจเจสาโรมานะขาธันตาแตจให้ท่านต่างหลายเล น, นำํำงานห้าชิ้นนี้เป็นต้นคือครอบหมดอวัยวะทุกส่วนที่รวมตัวของสติปัฏฐานสี่และอริยสัจสี่เข้าไว้ใน เจสาลุมานะขาทันตาแปจูนี้ให้นำเครื่องมือให้นำงานห้าชิ้นนี้ไปปฏิบิปฏิบัติเถิดเพราะขณะที่ประธานเาววัตตอนบวชนั้นเวลาไม่พออุปชาญาจึงต้องสอนเพียงแค่นั้นถ้่าก่อนและจากปัญจก ก, กรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหลังเป็นที่ห้าไปออกมาเจสาลุมานะขาทันตาแปจู แล้วตะโจดันตานักขาลมารเจาังสิคือให้อารมณ์ปฏิโรมย้อนหน้าถอยหลังด้วยการพิจารณาให้เห็นชัดเจนต่อสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ภายในตัวนี้อา้าเรามาอบงานนี้ให้แล้วให้ทำงานนี้สำเร็จนะงานนี้เป็นงานสำคัญเมื่อทำสำเร็จแล้วหรือพบหรือชาติหรือวัตัุสงสารความเกิดแก่จิตตานั้นจะหมดสิ้นไปจากจการพึ่งไปตัวสาคัญนะในเรียนนี้พอเรียนนี้ เข้าไปมากๆเข้าใจมากๆกับทั่วสระสกากายเพราะอาวัยวะต่างๆมันเหมือนกันหมดเมื่อเข้าใจอันหนึ่งแล้วก็ทําให้ราานในรกะระจายไปทั่วถึงบรรดาอวัยวะที่มีภายในร่างกายและกระจายไปข้างนอกไม่ว่าสัตว์ บ, บุคคลผู้ใดายใ ด, ยดยมันเหมือนเหมือนกันนี้นเมื่อประธานงานให้ห้าชิ้นนี้ให้แล้ว ก็บอกสถานที่นี่งานของพระผู้ปฏิบัติมุง่งหน้ามุ่งตาเพื่อความพ้นทุกขก์จริงพระพุทธเจ้าประทานงานนี้ให้มีเกษารุมานะคาอนตาตาโจเป็นตน้นนี่คืองานของพร ะ, ะงานศักดิ์สิทธิ์งานอันสำคัญแล้วก็ประทานพระาวาด นั่นสถานที่ที่จะควรประกอบการงานนี้ให้สำเร็จลุล่วมไปได้โดยความราบรื่นปลอดภัยไม่ต้องก่อความขมวนวุ่นวายคือสถานที่เช่นไรอ่านกระอนอีกว่าลุกขมูลโรเนนสนาสนังนิซาอย่ายประพัจชาตัทธิยาวชิวังอุซ่าฮูการณนอยู่บรรดาชาวะสมบทแล้วให้ไปอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ชายป่าชายขายตามถ้ำเนื่อผาต่างๆอันเป็นที่เหมาะสมแก่กงานประเภทนี้ แล้วพยายามทำแ่บนี้ตลอดชีวิตเถิดหนปยาปุพุจักษ์ประทานไว้ให้ปจัจจนัันสำนักงานของพระผู้มุ่งความพ้นทุกข์จึงส่วนมากจึงนอยู่ตามป่าตามเขาตามร่มไม้ชายป่าจะคือทางจงกรงบ้างแค่สำหรับนั่งภาวนาบ้างนั่นคือสำนักงานของพระ สถานที่ทำงานของพระก็คือในป่าในเขาที่เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนี่ขั้งพุทธการพระท่านทำงานอย่างนี้ท่านหาสสแสวงหาทำงานในสถานที่ดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นผลงานของท่านเปงปรากฏว่าองค์นั้นสำเร็จโซดาวนนี่สำเร็จสกิตาคาองค์นั้นสาเร็จอนาคาองค์นั้นสำเร็จอราหัตผล เป็นอริยบุคคลอันสูงสุดในโลกขึ้นไปดูระดัดบๆจนไม่ทั่งถึงความสูงสุดเพราะงานประเภทที่ปกติธทธ้าประทานนี้และสถานที่อันเหมาะสมเหล่านั้นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อต่อถอนกิเลสและเพื่อมรรคผลนิพพานดังทำที่ประทานไว้เพื่อมรรคผลนิพพานแก่สัตว์โลกก็พึงปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนไวน้นี้จะไม่ ขัดแย้งต่อธรรมเมื่อไม่ขัดแย้งต่อธรรมแล้วก็ไม่ขัดแย้งต่อมรรคผลนิพพานจะเป็นเครื่องปราบพิเรศไปโดยลำดับไม่ส่งเสริมพิเรศงานนี้ไม่ใช่งานส่งเสริมกิเรศงานอื่นเราไม่เราไม่แน่ใจพ ร, พระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้ท่านทั้งหลายคิดนําไปคิดให้มากตรงนี้เวลานี้งานไม่ได้เป็นประยางนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้ มันปีออกนอกลู่นอกทางจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจริงของาศาสนธรรมไปหมดแล้วเวลานี่เอ า, าศาสนาเป็นโลกไว้เฉยๆแล้วทําเอางานอื่นมาทําส่วนมากกลายเป็นงานถังสมที่ิฐิที่ถิดมานะใครจะมีทิฐิมานะยิ่งกว่าพระอา่าถือตอนว่าเป็นพระมีศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดนี่เป็นความสําคัญของตกแล้วเป็นเพศที่เขาเคารพนับถือเขาไม่ค่อยจะพูดจะ ว่าอะไรต่อหน้าต่อตามันยางมากก็สซุบๆิบคลิบๆกันพาอเขาเคารพผ้าเหลืองผ้าเหลืองนี่เป็นของสำคัญมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแม้เขาไม่เคารพผ้าแต่เขาก็เคารพผ้าเหลืองเราก็ได้ใจสนุกสังสมทิฏฐิมานะขึ้นมาอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจนี่ยิ่ง เป็นการสั่งสมกิเลสตัณหาอัตละทิฏฐิมานะซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่กิเลสตัวน้อยตัวใหญ่ลูกเต่าหลานเหลนขึ้นมาถึงปู่ยา่าตายายเลยมากรมือหัวใจพระนีท่ทั้งหมดแทนที่จะสั่งจะทำนะสาสางมันออกไปเลยกลายเป็นเรื่องตั่งสมเลี้ยงดูมันทั้งยังอีก ม, มีทีมันไปแล้วมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ที่ไหนมันก็มีตั้งแต่ความโลภความโกรธความหงุดความหลงทั้งวันทั้งคืนจนลืมเนื้อลืมตัว นั่นแหละจถ้าหลงนี่ยิ่งล้ายกบคารวัตรหลงรู้ว่างเรายังไม่ทราบเลยหรือถึองเขายกยอทนานเสนว่าเราเป็นพระเป็นพระยังไม่เลิกความเป็นพระของตนบ้างแต่ไปคว้าเอาสิ่งที่เลวตามทําลายเรื่องของพระนั้นมากต่อมากโดยไม่คํานึงถึงตนเลยนี่มันเป็นความดีความชอบธรรมเป็นความฉลาดของพระตามที่วิจิตรทรงสั่งสอนแล้วและเหลือเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะพิพจนนิตรณาด้วยกันทั้งนั้นพ่านักปฏิบัติ พระพุทธเจ้าเป็นจอมปราศรัตเหนือโลกมาสั่งสอนสัตว์โลกไม่ได้สั่งสอนให้โงอเข่าบปัญญาและเฉพาะอย่างยิ่งสั่งสอนพระทำไมพระจะโง่ล่ะสั่งสอนพระก็เพื่อ ย, ยิ่งเพื่อความฉลาดเพราะเป็นผู้นำของประชาชนทั้งหลายทําไมเราจะต้องโง่ยิ่งกว่าประชาชนในภาคปฏิบัติธรรมนี้ไม่สมควรอย่างนี้งอ่านใหพากันตั้งอกตั้งใจ เอาเป็นก็เป็นเธอตายก็ตายเธอเรื่องโลกนี้โลกอันนี้จังทุกข์อน้าตาอยู่ในกรอบแห่งความตายด้วยกันหาตาให้ตายดีทุกข์ขให้ทุกข์ด้วยความภาคเพียรเราเคยทุกข์มาแล้วเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมาม า, มากน้อยกี่หนเคยทุกข์มาขอบประมาณหรือทุกข์มาอย่างสาหัสแล้วทุกข์เพราะประกอบความเพียรนี้ทําไมจะทนไม่ไหวกิเลสมันจะเหนือทําไปได้อย่างไงกิเลสตัวไหนตัวมันเก่งกล้าสามารถเหนือทําไปได้มีไหมาหากว่ากิเลส มีตัวเก่งกล้าสามารถเหนือนทำไปรด้ไปได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ผู้บัตรขึ้นในโลกมาได้สาวกอ ร, รหันอรหันก็บรรลุธรรมเป็นขั้นอรหันเป็นบุคคลพิเศษขึ้นไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุอ่าได้ตรัสรู้ธรรมเป็นผู้วิเศษก็ดีสาวกอรหันอรหันทั้งหลายได้บรรลุธรรมเนกายผู้วิเศษถึงกับเราได้เต่งมาจาถึงท่านอภุธทางธรรมังสังขังฉ น, นังฉาามีนี้ก็ดี ก็เพราะว่าไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมีอํานาจเหนือธรรมเลื่นฉลาดแหลมคมเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าไปได้ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากที่สุดยิ่งกว่ากิเลสทั้งหลายจึงสามารถปราบกิเลสได้แล้วยกจิตให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนัเมื่อเรานำธรรมของพระพุทธเจ้ามาเพื่อปฏิบัติเพื่อตนเองและเพื่อปราบปรามกิเลสทําไมเรายังจะโง่เขลาบนปัญญาทํามเาจะเอาความท้อแท้เเด เข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนกิเลสแทนที่จะสนับสนุนธรรมมันเข้ากันได้แล้วหรือกับพระประสงค์พระญาติที่ทรงสอนไว้ให้มีความขยันหมั่นเพียรเราฟันลงไปนี่เราฟันเราไม่เป็นไรฟันเราคือฟันกิเลสฟาดมันลงไปกิเลสมันมีความผาดผลขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องมือต้องฟาดเครื่องมืออ่นผาดผลต่อสู้กิเลสให้มันพังทลายลงไปเรายาวกรบไปใส่ต้นไม้ทั้งต้นไม่ถูกนะ ไม้ต้นหนึ่งจะจะจะเอามาทำบ้านทำเรือนเครื่องมือเขามีกี่เครื่องลองพิจารณาดูสิมีทั้งขวานทั้งเลื่อยทั้งทุล้ายอย่างหลายประการทั้งกบทั้งสิวทั้งอะไรต่อนี่ยมีมากมายกว่าจะมาสาเร็จรูปเป็นไม้เป็นแผ่นกระดานขึ้นมาจนกระทั่งถึงจาเป็นบ้านเป็นเรือนเขามีเครื่องมือกี่ประเภทมีเครื่องมือปราบกิเลสจะมีเพียงประเภทเดียวเท่านั้นได้หรือ อะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสและอะไรจะหยาบยิ่งกว่ากิเลสอะไรจะละเอียดยิ่งกว่ากิเลสไม่มีในโลกนี้นอกจากทำเท่านั้นทำนี่เหนือกิเลสอยู่โดยลำดับลาดับต้องต้องปราบลงให้ด้วยเครื่องมืออันหนักมัชชิมามีหลายประเภทมีมัชชิมาสําหรับกิเลสประเภทผาดโผนกิเลสประเภทดื้อด้านนี่มัชชิมา ประเภทหนึ่งของประเภทกิเลสที่รองลงมานี่มัจจิมาของกิเลสประเภทละเอียดนี่มัชจิมาของกิเลสประเภทละเอียดโดยลําดับๆจนกระทั่งมัจจิมาของกิเลสเรื่องปราบกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดนั่นไม่หมดทําไมเราไม่เลือกเป็นเราไม่ค้นหามาปราบกิเลสกิเลสอยู่ในหัวใจเราอยู่ทุกทั้งวันทั้งคืนมันทำไมอยู่ได้ธรามะจะผลิตขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสทําไมผลิตขึ้นมาไม่ได้ เราก็เสียงโง่กิเลสได้ดิถ้าเสียงโง่กิเลสจะเป็นศิทธัฏฐานได้อย่างไรผู้ทีเจ้าไม่เสียงโง่กิเลสสาวทั้งหลายไม่ได้เสียโง่กิเลสเราทั้งวันทั้งคืนยืนเดินดนั่งนอนในตลอดการมีแตเงงเ่เสียงโง่กิเลสเสียโง่กิเลสแพ้นาบแพ้ราบขนาดตลอดเวลาเอาชชนะมาจากไหนเราจะอยู่ได้ด้วยความหวังอันใดถ้ามีแต่ความแพ้ตลอดอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยเราต้องคิดขึ้นมาสติปัญญาหยาดรุนละมท้อถอย นี่ปฏิบัติามาเต็มส ต, ติกำลังความสามารถก่อนที่จะมาสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่ได้ออกมาสังคมทังยี่สิบกว่าปีและก่อนอยู่ในป่านะเขาไม่นึกว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาประชาชนท่านเนรเข้ามาเกี่ยวข้องเราเลยลเราก็นึกว่าจะตายคนเดียวด้วยเวลาเราคิดปฏิบัติอย่างนั้นเพราะเอาจริงเอาจังเมื่อได้เชื่อทำจะท่านายกตัวอย่างเอาใกล้นี่เลยตามความรู้สึกของจิตตามความถนัดของใจเรานี้ เคยได้รับได้รับรบอกว่าจากท่านจันมัน่นยางถึงใจสมกับความมุ่ง ม, มั่นมุ่งมุ่งมั่นของธรรแล้วก็ถึงใจเมื่อได้ถึงใจแล้วการพูดปฏิบัติทุกอย่างถึงใจถึงใจการที่กล่าวมาทั้งนี้ได้ทํามาแล้วทั้งนั้นบางครั้งบางคราวถึงกับจะตายเลยเอาตาก็ตายไม่ถอยเรื่องถอยไม่มีไม่ตายให้รู้แต่มันก็ไม่ตาย เรื่องความรู้มันรู้ฮะเวลาเราเข้าตะลุมบอลถึงสงครามตะลุมบอลแล้วมันได้อุบายขึ้นมาอย่างไม่ขาดไม่ฝันได้ความอัศจรรย์ขึ้นมาในยานะจึงทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าคนเรานี่ไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปถึงเวลาจนกรอกจนมุมจริงๆ ไม่มีผู้อื่นใดเข้าช่วยแล้วอัตตหิตโนนาโถตนเป็นที่เพองตนจะผุดขึ้นมาทาันทีคือช่วยตัวเองเป็นปติกิมลังเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจากการคำว่าช่วยตนเองด้วยความภักเพียนโ ด, ดยลาพังตนเองแล้วมันก็เป็นสกิพยาธอันตําอันในธรรมทั้งหลายขุ้นไปโดยลำดับลำบนี่แหละอัตตหิตโนนาโถให้คุณทราบเนะียถึงคราวเตระาลาด ฉลาดคนเราเมื่อจนก่อกิงจริงทำไมจะใครจะไปนอนตายเฉยต้องคิดหาทางออกจนได้เอาเต็มสติกำลังความสามารถจนกรทั่งหัวใจขาดดิ้นไปแล้วนั่นแหละมันถึงจะไม่พยายามต้องพยายามเต็มเหนียวเวลานั้นแล้วก็ต้องได้อุบายขึ้นมาจนได้ต่อสู้เพืยทีังทลายมันไปเห็นความอดทนขึ้นมาเพราะอุบายวิธีนี้เพราะปฏิปทาแบบนี้เราก็ยึดไว้เป็นหลัก ยึดไว้เป็นหลักยึดไว้เป็นหลักเป็นสักขีพยานด้วยยึดไว้เป็นหลักด้วยเป็นคติเครื่องดําเนินต่อไปทีนี้คําว่าอิตันอติตโนนาโถก็เป็นไปเรื่อยๆในธรรมทั้งหลายเนี่ยการต่อไปปฏิบัติเอาให้จริงให้จังคําว่ามรรคผลนิพานยาภัสงสัยว่าอยู่กับการอยู่กับสถานที่ฮะอยู่กับข้อปฏิบัติต่างห ธรรมะทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าประทานมา น, นี้ประทานเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่ได้ประทานไว้เพื่ออะไรไม่ได้ประทานไว้เพื่อการเพื่อสถานที่แต่ประทานไว้เพื่อคู่ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนํามาปฏิบัติกิเลสอยู่ที่ไหนเวลานี้คํำว่าทุกข์เป็นผลเกิดขึ้นมาจากกิเลส จะทุกข่าทุกขันซึ่งไม่ใช่ตัวกิเลสก็ตามแต่ท่านขันนี่ก็เป็นผลของกิเลสที่พาให้เกิดทุกอันตั้าพันก็คือทุกที่เกิดขึ้นมาจากความคิดฟุ้งซ่านรำคางในแง่ต่างๆาเป็นการทําผุ้กิเลสขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยเราจะปราบเพื่ออะไรทาไมปราบเดิมมาคือสติปัญญาเป็นตั้งพันมีความเพลียนเป็เครื่องยุ่นหลังปราบที่ตรงนี้อย่าไปปราบที่ตรงไหนมันรบกุมรังที่ตรงไหนให้ถาก ถังเข้าไปที่ตรงนั้นความเทียนโล่งจะปรากฏขึ้นที่นั่นเองไม่ปรากฏขึ้นที่ไหนขึ้นที่โ ล, โลกนั่นแหละ น, นลกรกอะไรไอ้ถางลงไปไฟเผาเข้าไปแล้วความโล่มันก็ปรากฏขึ้นมาเองนี่มันรกบุงนั่งด้วยกิเลสตัณหาอาเทาต่างๆเต็มอยู่ภายในใจิตใจให้ถาค้างไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรยาลดละท้อถอยเนี่ยแล้วกันนิโรคคือความดับทุกข์เมื่อกิเลสตายไปแล้วทุกข์มันจะเกิดมาจากไหน วิเลตตายไปเพราะอำนาจของมรรคคือสติปัญญาเป็นสำคัญวิเลตดับไปมากเท่าไรทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆทุกข์ก็ดับไปเรื่อยๆเป็นนิโรธขึ้นมาเป็นขั้นๆขั้นๆขัสุดท้ายกับ น, นิโรธเป็นปูอ่าจะว่าไงการปฏิบัติให้เป็นที่แน่ใจในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าพอประทานไว้แล้วไม่มีข้อสงสัยเลยว่า ดูก่อนอนนลทำก็ดีวินัยก็ดีนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนแทราฏฐาโคตเมื่อเราลราผ่านไปแล้วเมื่อราสถาคตผ่านไปแล้วน่นหรือพูดยังไงว่เาเมื่อฐาคตตายไปแล้วทำวินายนี่แหละจะเป็นองศาสดาแทนพูดไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยเมื่อพูดทรงทำทรงวินัยอยู่ตราบใดขณะใดเวลาใด ผู้นั้นคือมีศาสนาอยู่ครองหัวใจยอยู่ตลอดเวลาเวลารู้ธรรมก็รู้ที่ตรงนั้นไม่รู้ที่ตรงไหนรู้ขึ้นจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เองฝ่ายเหตุก็คือการมะพูดปฏิบัติฝ่ายผลก็คือความฝุกขึ้นมาเป็นทันทันตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอริยสัจสี่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในใจของเรานี่พูดถึงเรื่องนิโรธอยู่ดับ ธรรมะนิโรธดับก็ดับทวมากไปเกี่ยติปัญญาทำลายกิเลสลงไปนิโรธก็ดับดับไปเป็นลำดับๆจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธก็ทําหน้าที่เต็มภูมิจากนั้นแล้วหมดปัญหาทุกเป็นสิ่งที่กําหนดทราบเนี่ยท่านบอกว่เพียงกิริยาเท่านั้นทุกเกิดขึ้นมา กับใจเราเราไม่ใช่คนตายทําไมเราก็ไม่รู้กําหนดไม่กําหนดมันก็รู้ว่าจิตเป็นทุกข์ถ้าผู้มีสติอยู่แล้วนั่นะท่านบอกให้เอานี้เป็นต้นเหตุแล้วมันทุกข์เพราะอะไรให้ค้นเข้าไปหาสาเหตุคือตัวกิเลสเป็นสาเหตุหลักสำคัญคนเข้ไปหาสาเหตุจะเอาอะไรค้นท้าไเอาสติปัญญาคิดค้นเข้าไปเอาความเพียรหนุนหลังเอาความเพียรเหมือนกตะวันตดนัดหนามจุกก้นไุกทางไปไม่ให้มันถอยหลังได้ เอาน้ำใส่ก้นเข้าไปเลยนะี่นเข้าไปจนกระทั่งถอดถอนที่นงเหล็กสมุทัยออกหมดแล้วนิโรธเป็นขึ้นมาเองเพราะเป็นผลของมากนี่นะพอทุกข์ดับไปแล้วอะไรที่นี่ที่ไม่ดับทุกข์ก็ดับเป็นกิริยาเป็นสมุทสมุทัยก็ดับเป็นเพราะเป็นกิริยาเป็นสมุทมีเกิดได้ดับได้มาก มีศีลสมาติปัญญาเป็นต้นก on in in in ็หดักเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนิโรธเมื่อทํำเมื่อทําหน้าที่ดับวิเดชทั้งหลายแล้วนิโรธก็หายไปผู้ที่ไม่หายผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมากนั้นคืออะไรคือผู้ที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยโรธมากดับไปนั้นคืออะไรผู้นั้นไม่ดับผู้นั้นแหละคือผู้บดิสุท ผู้นั้นเหนือสัจธรรมทั้งสี่สัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นสมมุติด้วยกันทั้งสองภาคภาคทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายี่เดชก็ดีภาคนิโรธกับมรรคอันเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับก็ดีนี่ก็เป็นสมมุติเพราะสิ่งได้ที่เป็นสมมติสิงนั้นก็มีอ น, นิจจังทุกของรตามีเกิดมีดับได้แต่ผู้บริสุทธิ์ผู้ที่รู้ว่าทุกขสมุทัยรอดมรดับไปแล้วคืออะไรผู้นั้นไม่นับนี่แหละ ผู้ไม่เกิดก็คือผู้นี้ตัวเกิดตัวนักท่องเที่ยวดังพระแม่หูยานมั่นท่านแสดงไว้เราได้เขียนในประวัติของท่านก็คือผู้นี้ว่านักท่องเที่ยวเธุยกิจตรงนี้อะไรมันเป็นเหตุสาเหตุให้มันต้องเที่ยวผู้ปฏิบัติจะต้องทราบประจักษ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวพ ร, ระหลายทราบเพราะทำนี้บอกเรื่องให้ทราบพระกาศสอนเพื่อให้ทราบทั้งนั้นให้ทราบของจริงที่มีอยู่ในตัว สุขคขาทำตาม่ชอบชอบอะไรก็คือเบิกค้นลงไปสิอะไราพาเป็นฉายให้ให้จิตมันเกิดจะไม่อยู่ไม่ถอยนี่นั่นแหละล้วปฏิบัติเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นชัดเข้าไปเช่นเดียวกับเราต้องการปลาในหนองนี้เราวิดน้าออกวิดน้ำออกวิดออ ก, ออ ก, ออกเหมือนน้ำมันลดลงบปเท่าไรตามรรมันก็รวมตัวลงไปรวมตัวลงไป วิตออกวิตออกวิตออกจนหมดน้ํำตาก็รวมตัวหมดมองเห็นได้หมดเป็นปลาชนี้แต่บ้างมีมากมีน้อยรวมตัวลงไปให้เห็นชัดเจ น, นี่แล้วก็วิตเยเลตตันหาสะวาออกเอ่ะเห็น เ, เ, เป็นน้ํามันท่วมหัวหใจเนี่ยดวิวิตออกวิตออกด้วกความเพียรท่องเราทีนี้ไอ้เรื่องความอุปทานความสําคัญมั่นหมายมันไปยึดอะไรอะไรบ้างมันก็หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามา พอรู้แจ้งเห็งชัดแล้วมันต้องตล่อยปลอยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งถึงขันห้าเบื้องต้นมันก็โน่นยึดทั้งรูปทั้งเสียงกลิ่นนสดเครื่องทั้งผัดทั่วโลกธาตุดินแดนมันยึดไปได้หมดมันรักมันชังได้หมดทั้งคันมันหมายไปได้หมดนี่พอมันพิจารณาเข้าเข้าใจแล้วมันถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาจนมารวมตัวอยู่ในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาทั้งขาทั้งหัวมันก็มาเข้าใจในรูปนี้อีกว่าเป็นอะไรแล้วก็ถอน ก็เข้าใจในเวทนานสัญญาสัญญาณวิญญาณตามความจริงของมันอีกด้วยความจริงของสติปัญญาอีกและถอนนี่ยรู้เท่ารู้เท่าถอนอุปทานรู้เท่าถอนถอนุปทานจิตก็รวมตัวเข้าไปอ่ากิเลสอาสวะมันก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดจิตสู่จิตแห่งเดียวนี่แหละเหมือนกับว่ิทย์น้ำ <c oughs> วิทย์นา ม, มาจากลกล้องกระถานมันติดรูปติดเสียงขึ้นรถเครื่องที่แบบออนไลน์เอาพิจาณามันไปมันะการพิจารณานั้นถ้ามันเข้าใจนั่นเองเหมือนกับวิทย์น้ มันเข้าใจแล้วกับถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาจนกราทั่งถึงขันห้าพิจารณาขันห้าจนเข้าใจแจงแจ้งชัดเจนแล้วถอนตัวออกอีกเข้าไปสู่จิตดวงเดียวนั่นเห็นตัวปลาชักแล้วที่นี่ตัวเกิดก็เห็นที่นี่จิตมันล็กๆล็กเกมันไม่มีที่ยึดแต่ก่อนมันคิดรู ป, ปรยึดเวทนาทั้งงานทั้งขันงานออกมาเป็นสายายาเวเหยียดมันก็รู้มันเห็นนี่เห็นด้วยปัญญาอันนี้จะจะไปเห็นด้วยสัญญาเรียนจบพระต่ายปโดก็เธอไม่ใช่ ไม่ใช่คุยฮะแบกภพชาติอยู่นั่นตลอดไปถ้าไม่ปฏิบัติให้เข้าใจเพราะผูที่เจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แก้ได้ด้วยความจริงรู้ได้ด้วยความจริงไม่ใช่รู้ได้ด้วยความจําไม่ถอยแก้ได้ด้วยความจํานี่นะฮะแก้ด้วยความจริงปฏิบัติเข้าไปอย่างที่ว่าเนี่ยอพอรู้แล้วมันไม่มันไม่ยืดก็เหมือนเราจับค <c oughs> องกําจับคองงูขึ้นมาจากสุ่มหรือจาก อะไรก็ตามเราเข้าใจว่าเป็นปลาไหลหรือเป็นปลาอพอยกขึ้นมาพอรู้ชัดว่างูเท่นั้นนะ่ะมันสลัดปัวเดียวเท่านั้นมันจะไปถือไว้ทําไงไม่ใช่ปลานี่นะมันก็สรัพคพดหน่อันนี้เมื่อพิจารณาเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนแล้วมันก็สลัดเหมือนกันนั่นแหละสลัดเข้าไปสลัดเข้าไปจนกระทั่งถึงจิตทีนี้เมื่อถึงจิตยิ่งเรศรวมตัวเข้าไปสู่จิตหมดแล้วไม่อยู่ไม่มาเกาะ ไม่มายืดในรูปข้อดีเวทนาข้อดีสัญญาก็ดีสังขานก็ดีวิญญาณก็ ด, ญญกดีรูปเสียงกลิ่นนสดเครื่องวทศทั้งหลายข้อดีต่อตัวเข้าไปหมดนี่เหมือนกับว่าน้ำมันลดลงไปลดลงไปจกนกระทั่งรวมตัวเข้าไปสู่ใจลวงเดียวแล้วเห็นตัวปลาได้ชดัดแล้วปัญญาพิจนาตลงนั้นฟาดฟันตรงจุดนั้นจุดที่ปลาไปรวมตัวอยู่ที่จิตนั้นไม่ต้องเอาไว้แม้แต่จิตสมวนไม่ทําไมถ้าจิตเป็นของจริงแม้จิตไม่ชิบหายเอาฟาดลงไป <c oughs> มันมีความสาคัญอะไรว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตว่าจิตเราผ่องใสจิตเรามีความสงาา่าผ <c oughs> ่าเผยกิจเราเป็นของอัศาจรรย์นี่คือนี่เรคืออวิชชามันหลอกมันหลอกแท้ทัดอย่างนี้แหละะถ้าสติปัญญาไม่ทันมันก็จะถืออนี่ไม่มีอะไรที่ถือรูปเวทนาสัญญาลั้งการลูกเสียงกิริเพื่อนิสพัดไม่ถือแล้วมันมาถืออันนี้ถ้าสติปัญญาไม่ทันเพราะฉะนั้นสติปัญญาขั้นมหาสติมหาปัญญาจะทนไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เราฟาดลงไปตรงนั้น <c oughs> <c oughs> แล้วธรรมชาติที่เป็นตัววิชาจริงๆตัวปลาใหญ่จริงๆมันก็ทลายลงไปหมดไม่มีสิ่งใดอยูน่นั่นแหละที่นี่พบจะหามาจากไหนมันรู้แล้วจริงตัวพลาให้เกิดจากเจตุตายคือตัวไหนมันก็รู้ฮะทีนี้เมื่อธรรมชาติเหล่านี้มันดับไปแล้วตัวไหนจะพาให้เกิดให้ใตายอีกแต่นี่ต่อไปมันไม่มีมันก็รู้ประจักษ์นี่คือรู้ด้วยความจริงจริงอย่างนี้ถึงเรียกว่าจริงพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารูลูคำคลั่ จำได้แต่ชื่อแต่นามของคดดกิเลสตัณหาสมาธิคนรนะับแล้วก็เอาก็ถือเอาถือเอาถือตั้งแต่ดดกิเลสแบกเต็มหัวใจนี่ต้องทําอย่างนี้ที่ปริยตัติปฏิบัติปฏิเวททำต้งสามอย่างนี้แยกกันให้ออกเรียนรู้แล้วให้ปฏิบัติปฏิบัติแล้วความรู้แจ้งแทงตลอดจะรู้ขึ้นมาโดยลําดับจนกระทั่งทะลุผุโปร่งไปหมดอ๋อเหอยดีเอละเอาแอค่นี้นะเอาละไฟเต็มเต็มเต็ม